4. ปทะโสธรรมะสิกขาบท5้าถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้สอนอนุปสัมบันให้กล่าวธรรมแข่งกันเป็นบทบทณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารพใครตอบทรงปรารพพวกภิกษุฉับพักขีถามเพราะเรื่องอะไร เพราะเรื่องที่พวกภิกษุฉับพักขีสอนพวกอุบาสกให้กล่าวทรรมแข่งกันเป็นบ ท, บทในปะทะัศโสธรรมะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสองสมุดฐานคือ 1. เกิดทางวาจามิใช่เกิดทางกายมิใช่เกิดทางจิต 2.